ในบรรดาข้าวนะที่ปลูกในเมืองไทยข้าวหอมมะลินี่ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะเขาว่ามันหอมอร่อยแต่ก็ราคาแพงขายได้ราคาดีก็มีคนสงสัยว่าข้าวหอมมะลินี่ทำไมมันถึงหอมเป็นเพราะดินหรือเปล่า ก็ไม่ใช่ก็ศึกษาพยายามเจาะไปที่ว่ามันเป็นที่พันข้าวใช้เวลานานนะคนไทยนะวยศาสตร์ไทยใช้เวลาถึงส5ปีเนี่ยกว่าจะพบว่าที่ข้าวหอมมะ ล, ลิเนี่ยหอมเพราะว่ามันมียีนบางอย่างนะีนบางอย่างที่ไม่เหมือนข้าวทั่วไป แล้วที่เขาประหลาดใจคือว่ามันเป็นยีนผิดปกตินะคือยีนพิการเพราะว่ามันขาดมันขาดองค์ประกอบไปอ่าเขาเรียกว่าเป็นขาดสารพันธุ ก, กรรมไปนะประมาณ 7-8 คู่นะถ้าเทียบกับข้าวปกติก็ถือเป็นข้าวพิการนะเป็นยีนพิการแต่ว่าไอความพิการของยีนนี่มันกับดีนะ มันทําให้เปลี่ยนสารพิษในเมล็ดข้าวเนี่ยให้กลายเป็นสารระเหยที่หอมได้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่คนเขาประหลาดใจนะปกติเนี่ยเราก็ถือว่าข้าวหอมมะลิ เ, เป็นข้าวชั้นสูงยีนในข้าวนี้ก็คงจะเป็นยีนพิเศษนะแต่บอกเว่ามันไม่ใช่มันเป็นยีนผิดปกติมันเป็นยีนพิการนะ มันก็เหมือนกับว่าคนที่คนที่คนที่ทำงานเก่งนะั่นถืว่ามี iQ สูงนะแต่ที่จริงนะมี iQ ต่ำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องประหลาดแต่มันก็ชี้เห็นนะว่าความพิการนี่บางทีมันก็เป็นของดีนะสิ่งที่พิการสิ่งที่ผิดปกติก็สามารถจะสร้างสรรค์สิ่งดีนะให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เฉพาะกับพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคนก็เหมือนกันนะ คนที่ผิดปกติหรือที่เราเรียกภาษาชาวบ้านว่าพิการเนี่ยก็สามารถจะทำสิ่งที่พิเศษหรือว่าสร้างสรรอย่างที่คนธรรมดาทำไม่ได้อย่างนักดนตรีหลายคนที่มีชื่อนี่ก็พิการนะเช่นบีทฟเฟนนี่ก็หูหนวกนะแต่ว่าสามารถจะประพันธ์เพลงที่ไพเราะได้ หร อ, อย่างมีนักดนตรีคนหนึ่งนะไม่มีแขนเลยนะแต่ว่าสามารถจะบรรเลงดีกีตาร์ได้เพราะมากนะกีตาร์คลาสสิกด้วยก็ใช้เท้านะใช้นิ้วเท้าเนี่แหละดีกีตาร์นะคนธรรมดานะก็อาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าเขานะไอ้นิ้วเท้าเนี่ยซึ่งมันหยาบนะแล้วก็ไม่อ่อนช้อยเหมือนนิ้วนิ้วมือเนี่ยสามารถจะ เอามาใช้ดีดกีตาร์ได้เพราะมากนะคนที่ว่านี่ก็ชื่อโทนี่นะเมเอนเดสเหตุนี้เราพบว่าคนที่ฉลาดเก่งๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆนี่ก็ไม่ใช่คนปกตินะไม่เรียกว่าจฉริญยนะแต่เรียกว่าเป็นคนผิดปกติมากกว่าอย่างเช่นพวกที่เป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้ คิดค้นเทคโนโลยีที่กําลังโด่งดังเดี๋ยวนี้มันมีกิจการที่เรียกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะธุรกิจดิจิตอลข้อ พ, พ่อผู้บริหารที่เก่งๆเนี่ยเป็นโรคออทิสติกอ่อนๆนะเป็นโรคออทิสติกอ่อนออทิสติกนี่มันเป็นโรคที่ ทำให้คนเนี่ยมีปัญหาในการเรียนรู้นะแต่ว่าพวกที่ประสบความสำเร็จในกิจการสมัยใหม่เนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวคอมพิวเตอร์นี่เป็นออทิสติกกันเยอะนะอ่อนๆหรือที่เรียกว่าโรคแอสเพอร์เกอร์อย่างเขาเชื่อว่าบิลเกตหรือว่ามาร์คซักเกอร์เนี่ยนะก็เป็นออทิสติกอ่อนๆเหมือนกันนะแต่ว่าสามารถจะ บริหารกิจการหรือว่าสร้างสรร์เทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้คนปัญญาอ่อนบางคนเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าสามารถจะจำหนังสือได้เนี่ยเป็นพันๆเล่มมีคนนึงนะจำหนังสือได้ถึงเจ0 0พันเล่มนะ คนธรรมดานี่ยท่องบทสวดมนต์เนี่ยนะจะท่องให้ท่องธรรมจักกัปวัฒนสูตรเนี่ยนะต้องใช้เวลาหลายวันนะธรรมจักนี่ก็ไม่กี่หน้านะแต่ว่าคนปัญญาอ่อนนะหลายคนนี่ให้อ่านหนังสือทีเดียวจําได้แล้วจําได้เป็นหน้าหน้าแล้วได้เป็นเล่มเล่มจำได้ถึงเจ็ดพันเล่มก็มีนะนี่เขาพิสูจน์มาแล้วแอมใส่าความผิดปกติหรือความพิการนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นผลเสียนะ มันสามารถจะทำให้คนเรามีความสามารถพิเศษบางอย่างได้คนตาบอดนี่เราก็รู้กันนะว่าเขาจะมีหูที่ไวมากหลายคนเนี่ยเดินโดยไม่ใช้ไม้เท้าแต่เขาใช้วิธีดอกริ้นนะดอะลิ้น น, ะนนะให้มีเสียงเสียงเนี่ยเวลามันไปกระทบสิ่งกีดขวางข้างหน้ามันจะสะท้อนกลับ แล้วคนตาบอดบางคนใน ห, หูไวมากนะหูฟังเสียงที่สะท้อนกลับก็รู้ว่าข้างหน้าที่เป็นเสาเป็นค น, ห ร, นนะหรือว่าเป็นรถนะหรือว่าไม่มีอะไรเลยนะบางคนเก่งกว่า น, นั้นนะไม่ใช่เดินนะขี่จักรยานนะขี่จักรยานแล้วใช้วิธีดอะลิ้นแบบนี้เก่งมากเลยกลางกลางวันหรือกลางคืนนี่ไม่มีความหมายนะขับรถตอนกลางคืนไม่มีไฟก็ สามารถจะขับได้โดยที่ปลอดภัยนะเพราะใช้วิธีดอะลินหูไวมากเหมือนข้างขาเลยข้างขาก็ใช้วิธีนี่แหละนะมันมันส่งเสียงที่คนธรรมดาไม่ได้ยินนะเป็นเสียงโซน่าพอไปกระทบต้นไม้ไปกระทบสัตว์ชนิดใดชนหนึ่งมันก็สะท้อนกลับมามันก็รู้ั่าเป็นเหออยื่อหรือว่าเป็นศัตรูที่จะไล่ล่ามันนะ หืออย่างอาจารย์กำพลเนี่ยอาจารย์กำพลพิการเนี่ยแต่ว่าความพิการก็ทําให้สามารถจะเข้าใจธรรมะได้เร็วนะคนธรรมดาเนี่ยถ้าว่าปกตินี่อาจจะไม่สนใจธรรมะเลยก็ได้เพราะว่ามันมีสิ่งเย้ายวนเยอะนะชวนให้ไปทำโน่นชวนให้ไปเที่ยวนี่ชวนให้ไปเล่นชวนให้ไปเพลิดเพลินความสุขนะ แต่ว่าคนพิการคนป่วยนี่จะไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะสังขารไม่อำนวยก็ทำให้สนใจธรรมะได้ง่ายยิ่งมีความเจ็บความป่วยนะมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งต้องค้นขวายหาธรรมะมาช่วยบำบัดโดยเฉพาะถ้าว่ามันไม่มียารักษาไอ้คนที่สุขสบายดีนะมันก็เพลิดกับความสุขนะ ไม่ได้คิดฉเฉลียวใจว่าสักวันนี้ต้องทุกข์จะต้องเจ็บต้องป่วยสุขภาพดีก็ใช้ร่างกายนี้เนี่ยไปในการเสพสุขหาความสุขตักตวงความสุขไม่ได้คิดเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยว่าถึงเวลาแก่ถึงเวลาเจ็บป่วยนี่จะทำอย่างไรนะจากคนพิการอย่างจางกาพลเนี่ยนะหันมาสนใจธรรมะแล้วพอเข้าใจธรรมานี่ก็จางกำพลเคยพูดนะขอบคุณความพิการนะ เพราะความพิการทําให้ผมรู้จักทุกนะแล้วก็ทําให้รู้วิธีพ้นทุก์นะคนเรามันจะพ้นทุกได้เนี่ยมันต้องรู้จักทุกนะและจะรู้จักทุกได้ไงถ้าไม่เจอทุกนะและความทุกข์ที่มาที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนึ่งก็คือความพิการ เ, าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความพิการหรือความผิดปกตินะความเจ็บความป่วยมันก็มีข้อดีของมันนะ เหมือนกับข้าวหอมมะลิเนี่ยยีนมันพิการนะแต่ว่ามันกับกลายเป็นของดีนะเปลี่ยนสารที่เป็นพิษเนี่ยให้กลายเป็นสารระเหยแนละที่หอมได้เพราะฉ้นคนเราเวลารู้ว่าตัวเองมีความผิดปกติมีความเจ็บความป่วยความพิการหรือความบกครองเนี่ยนะอย่าไปมองว่ามันคือข้อเสียนะธรรมชาติเนี่ยมันจะสร้างอะไรบางอย่างเป็นการชดเชยนะให้เรา สามารถจะทำสิ่งที่ดีมาชดเชยได้อย่างคนตาบอดก็หูไวนะคนถูหนวกก็สามารถจะสังเกตปากนะของคนแล้วก็สามารถจะรู้ได้ว่าเขาพูดอะไรแค่ดูลิมฝีปากนะบางทีดูหน้าตาด้วยแล้วก็สามารถจะบอกได้ว่าคนพูดเนี่ยโกหกหรือเปล่า คนหูหนูนี่เขาทำได้ขนาดนี้นะรู้ว่าคนพูดเนี่ยโกหกหรือเปล่าดูจากหน้าตาดูจากริมฝีปากดูจากแววตาให้คนที่หูดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยไวนะไม่ค่อยสังเกตในเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าไปสนใจกับความหมายหรือข้อความนะที่ได้ยินทางหูมากกว่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าธรรมชาตินี่เขา จะไม่ปล่อยให้ใครเนี่ยนะจะต้องทุกข์กับความพิการแต่ว่าจะสร้างหรือว่าหาอะไรมาทดเชยซึ่งเราก็ต้องรู้จักความสามารถพิเศษตรงนี้ด้วยถ้ารู้จักแล้วก็เอามาใช้ในมาทดแทนไอ้ความบกพร่องความผิดพลาดได้อะละเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังรอยตะพนที่ท่านป่าธนาและตั้งใจแล้วยิปาเมีวาสมชาชต จงสามเหล่โดยชาพานสาเพปูเรนตุสังกัปปะขอความดำริทางบ่วงจงเต็มที่จันโทปันรโสยตาเหมือนพระจันนายวันเพลมณีโชติรโสยตาเหมือนแก้มณียสว่างสวยควรยินดีสาเพิโยวีวัชชนตุวานจรายทางบวงจงบำราไปสาพาโรโควินาสัตตุ เราทางหลวงของท่านจงหายมาเตภาวะวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขินิคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิลสนิจางุทาปจายโนจะตาโรธรรมาวัทันทีอายุวันโนสุขังภาระท่านสิบประการคืออายุวันนาสุขังภาระ ย่อมจะเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอนดอนดอผู้ใหญ่เป็นนิเพราว่าตุสัพพังคลังขอสัพพะหมงคอจงมีแก่ทานราคันตุสัพพเทวตาภหล่าเทวตาทั้งผลวงจงรักษาทธาสัพพะภูธานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระพภูจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สาธาสังฆานุภาเวนะดุยอนุภาแห่งภาโสสาธาโสทิพาวันเถเดอข้าวอดีทั้งหลายจงมีกานดานดเมื่อเถิ